ทั้งพระและคารวาสต่างแยกย้ายกันกลับไปยังกุฏิของตนผู้ที่ยังไม่ง่วงก็จะปฏิบัติกรรมฐานต่อโดยไม่หลับนอนส่วนคนที่ทนง่วงไม่ไหวก็จะนอนเอาแรงเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานตอนตีสี่เวลาแปนาฬิกาของเช้าวันที่หนึ่งมกราคม2517ิเจคุณนายดวงสุดาและผู้บังเกิดก้าวทั้งสอง จมามลาท่านพระครูกลับกรุงเทพเมื่อมาถึงกุฏิของท่านก็เห็นคนนั่งรอเต็มไปหมดท่านพระครูยังไม่ลงมาจากชั้นบนเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นตามมาด้วยเสียงแก้วแตกดังเพลงความอยากรู้อยากเห็นว่าได้เกิดอะไรขึ้นทําให้คุณนายพาร่างอันอุดมไปด้วยก้อนเนื้อและไขมันออกไปยังหลังกุฏิอันเป็นที่มาของเสียง ภาพที่เห็นทำให้คุณนายถึงกับอ้าปากค้างผู้หญิงอายุประมาณสี่สิบกำลังคว้างแก้วใส่ผู้ชายวัยเดียวกันฝ่ายนั้นหลบอุตรุษกระทั่งพวกแม่ครัวมาช่วยกันยื้อยุดหล่อนเอาไว้ปล่อยกูนะกูจะไปฆ่ามันหล่อนตะโกนและดิน้นรนใจเย็นๆค่ะคุณนายนี่ในวัดนะคะไงก็เกรงใจหลวงพ่อท่านมั่งนางบนรับเตือนสติ คนที่นั่งอยู่ในกุฏิทยอยกันออกมาดูคุณนายดวงสุดามองอย่างสังเวชนึกตำหนิสตรีผู้นั้นที่ไม่มีความอดกลั้นแม้ในวัดในวาอารามนางกิมเองซึ่งมารอให้ท่านพระครูสอบอารมณ์พร้อมสามีและลูกชายเห็นคุณนายดวงสุดาเดินออกไปก็ลุกตามกิมเองอย่าออกไปไม่ใช่เรื่องของเราข้าบอดีบอกภรรยา หากความอยากรู้อยากเห็นตามวิสัยหญิงทำให้หล่อนขัดคำสั่งของผู้เป็นสามีพอออกไปก็สบตาเข้ากับสตรีที่ดูเหมือนกำลังบ้าคลั่งคนนั้นเลยถูกหางเลขเข้าอย่างจังมองอะไรระวังเถอะพวกที่ชอบเสือกเรื่องของชาวบ้านกูจะตบล้างน้ำเซให้เข็ด่อนว่าใส่หน้านางกิมเองภรรยาข้าอดีตก็ถอยกรูดเข้ามา ตามด้วยภรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกนั่งข้างๆสามีพลางนึกในใจอยู่ดีไม่ว่าดีหน้าเราถูกด่าฉลองปีใหม่แต่เช้าสวยชะมัดคุณนายดวงสุดาไม่ถึงกับเข้ามานั่งเพราะอยากรู้หล่อนจึงเดินไปด้อมๆมองๆอยู่แถวประตูหลังกุฏิผู้หญิงคนนั้นสะบัดแขนอย่างแรงจนหลุดจากการเกาะกลุมหล่อนวิ่งไปคว้าไม้ได้ท่อนหนึ่ง จึงตรงเข้าไปหาคนเป็นสามีฝ่ายนั้นก็รีบวิ่งไปที่รถเกง๋งไขยกุญแจเข้าไปนั่งประจำที่คนขับได้อย่างหุดวิตคนที่เป็นเมียกนดาหยับหยาบไข่ไขใช้ไม้ทุบ ก, กระจกหน้ารถจนกระทั่งกระจกร้าวเป็นทางหลัอนกระชากที่ปัดน้าฝนหน้ารถออกมามันบาดมือหล่อนจนเลือดแดงฉานสามีหล่อนสตาร์ทรถหล่อนจึงได้วิ่ง ไปขวางหน้ารถไว้เอาเลยมึงชนกูจะให้ตายเลยสามีบิดแปรเป็นการเตือนให้ถอยหากภรรยาไม่ยอมถอยเขาจึงขายกระจกลงยื่นหน้าออกไปตะโกนว่าไม่ถอยจะชนจริงๆนะแล้วก็ขายกระจกขึ้นดังเดิมเร่งน้ำมันอย่างแรงเป็นการขู่ถ้าหล่อนไม่ถอยเขาจะชนให้ตายไปเสียเลย ผู้พันหยัดชนขายาพวกแม่ครัวร้องเสียงหลงคนหนึ่งก็วิ่งไปยืนคู่กับหญิงคนนั้นคิดว่าคนขับคงจะไม่กล้าชนป้าถอยออกไปไม่งั้นผมชนนะเขาเปิดประตูตะโกนบอกแล้วก็รีบปิดเตรียมพร้อมที่จะออกรถหญิงผู้บ้ากรังกระโดดขึ้นไปยืนบนกระโปรงหน้ารถใครคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าป้าไปเรียกคุณนายลงมาเถอะเร็อเดี๋ยวผู้พัน แกแกล้งขับรถเร็ ว, รวคุณนายจะตกลงมาคอหักตายหรอกเฮ้ยใครมันจะฆ่าเมียได้ลงคอว่าลูกเต้าก็มีด้วยกันโน่นยืนตัวสั่น ง, งานงกอยู่โน่นป้าหรือนางบุญรับชี้ไปที่เด็กชายอายุประมาณหกเจ็ดขวบที่ยืนอยู่กับพี่เลี้ยงคุณนายดวงสุดามองไปที่เด็กทั้งสองซึ่งยืนห่างจากหล่อนประมาณสามวาหน้าตาท่าทางของแกดูตื่นตระหนก หัวใจดวงน้อยคงแทบจะแหลกสลายเพราะการกระทำของพ่อกับแม่คุณนายไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดสองคนนั่นจึงทำร้ายจิตใจของลูกได้ถึงป่านนี้เจงแม่กลัวคนที่สาวกว่าบอกนางบนรับอีกว่าเร็วๆสิ ป, ป้าไปเอาตัวคุณนายลงมาหน่อยฉันว่าผู้พันแกกล้าฆ่าคุณนายนะผู้ชายที่กำลังหลงเมียน้อยนะ่ะฆ่าเมียหลวงได้นะป้า ถ้าอย่างนั้นพวกเอ็งก็ไปช่วยข้าหน่อยไปเร็วเข้านางชักชวนพักพวกพรางวิ่งนำไปที่รถผู้ชายคนนั้นกำลังเคลื่อนรถออกป้าคนที่ไปยืนขวางรีบพาตัวของหล่อนออกมาด้วยความกลัวตายผู้หญิงบ้าครั่งที่ยืนหลาอยู่บนกระโปรงรถก็เปลี่ยนเป็นนั่งยองยองหันหน้าเข้าหาคนขับชี้หน้าด่าเป่าเป า, เปลาสลับกับเสียงกรี๊ดกรี๊แสบแก้วหู นางบุญรับวิ่งไปเคาะกระจกด้านคนขับโกหกหน้าตาเฉยว่าผู้พันหยุดก่อนหลวงพ่อเรียกผู้พันเหยียบเบรกหากยังไม่ยอมลงมาจากรถเพราะว่ากลัวภรรยาคุณนายลงมาเถอะค่ะหลวงพ่อท่านเรียกนางบอกผู้หญิงที่กำลังบ้าครั่งสงสารหล่อนจับใจเพราะรู้เรื่องราวของหล่อนเป็นอย่างดีผู้พัน ทำร้ายจิตใจหล่อนเกินไปอาถรรพควงเมียน้อยมากราบอวยพรหลวงพ่อทั้งที่รู้ว่าจะมาพบหล่อนที่นี่แล้วเมียน้อยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนรักเพื่อนใกล้ของหล่อนนั่นเองอุตส่าห์พามาเข้ากรรมฐานกินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ที่วัดนี้แล้วจู่ๆก็มากลายเป็นเมียน้อยของผัวหล่อนหากนางบุญรักเป็นหล่อนก็คงจะแค้นแทบกระอักเหมือนกัน ได้ยินว่าหลวงพ่อเรียกคุณนายราศีก็ได้สติหล่อนหยุดดาและหยุดร้องกริ๊ดกรีดกระโดดลงจากกับโรงรถอย่างระมัดระวังแล้วก็เดินเซื่องๆเข้าไปในกุฏิพันเอกประวิทย์เห็นภรรยาเดินไปยังกุฏิท่านพระครูคิดว่าหล่อนคงจะต้องฟ้องท่านเกี่ยวกับความผิดของเขาจะยอมให้หล่อนฟ้องข้างเดียวไม่ได้เขาต้องตางไปชี้แจง ท่านจะได้ไม่ฟังความข้างเดียวคิดได้ดังนี้จึงก้าวลงจากรถเดินตามภรรยาไปห่างๆคุณนายราสีเข้ามานั่งคอยท่านพระครูตรงหน้าอาัสนะพยายามสงบสติอารมณ์อย่างที่สุดครั n c เห็นหน้าผู้เป็นสามีความข้างแค้นประดังขึ้นมาอีกหล่อนคว้าได้ถ้วยน้ําชาก็คว้างไปที่ใบหน้าของเขาด้วยกระเบื้องปะทะเข้าตรงหน้าผากอัลลานเลียน ยังผลให้มันบวมปูดเขี้ยวปัดขึ้นมาในพริบตาพันเอกใบสี่สิบมีอาการเลือดขึ้นหน้าเขาตรงเข้ามาหาภรรยาแล้วตบหน้าหล่นไปหลายทีจนหน้าซีดเสียวนั้นหันซ้ายหันขวาไปตามแรงตบคนที่นั่งรออยู่ลุกขึ้นห้ามพวกผู้ชายจับตัวผู้พันพวกผู้หญิงจับคุณนายราศีกุฏิอันเงียบสงบของท่านพระครูจึงกลายเป็นโรงงิ้ว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 แม้จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานหากนายสมชายก็ยังอุตส่าห์มีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันห้ามไม่ได้หรอกสมชายเรื่องของผัวเมียเช่นไห่กล้าเขาไปยุ่งหรอกท่านพูดด้วยเสียงปกติไม่ตื่นเต้นไม่ยินดียินร้ายเพราะจิตของท่านมั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวสั่นคลอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าเขาฆ่ากันตายในกติของหลวงพ่อละ่ะ เรื่องนี้ดังไปถึงไหนๆหรอเด็กหนุ่มมีท่าทีกังวลไม่ถึงอย่างนั้นหลอกสมชายถ้าเขาตีกันอยู่ที่กุฏิฉันหรืออยู่ในบริเวณวัดป่ามะม่วงเขาจะไม่ตายเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่ถ้าพ้นเขตวัดไปเมือ่อใดรับรองว่าตายทั้งคู่สองคนนี้กำลังชะตาขาดถ้าเธอกลัวก็ตายก็ลงไปดูลาดเราก็แล้วกัน อย่าให้เขาออกนอกเขตวัดท่านสั่งเสียงเรียบลูกศิษย์ก้นกุฏิจึนจำต้องลงมาข้างล่างเมื่อเขาเปิดประตูออกมาทุกคนก็จะเงอมองได้คิดว่าเป็นท่านพระครูการตลุมบอลของสองสามีภรรยาก็จะงักลงประเดี๋ยวหลวงพ่อจะลงมาเขาบอกทุกคนในที่นั้นได้ยินว่าหลวงพ่อจะลงมาคุณนายราศีก็หยุดอารวาส นายสมชายจัดการหาอยูกยามาทำแผลให้หล่อนแผลซึ่งถูกที่ปัดน้ำฝนบาดพวกผู้ชายก็หายาหม่องมานวดหนา้าผากบริเวณที่ปูดออกมาให้พันเอกประวิทย์คุณนายดุงสุดาใจเต้นไม่เป็นสัมตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ์ส่วนบิดามารดาของหล่อนเพียงแต่ตกใจเล็กน้อยด้วยได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วครูใหญ่ ท่านค ร, รูจึงเปิดประตูออกมาทุกคนต่างทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งท่านเดินไปนั่งที่อาสนะพันเอกประวิทย์และภรรยานั่งหมอบอยู่ต่อหน้าท่านคุณนายราศีร้องไห้กระสิกรกระสิกมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจา ก, กันก็ได้ทำไมต้องลงมือลงไม้กันท่านพูดเสียงเบาจนเกือบจะกระสิบด้วยต้องการให้ได้ยินกันเพียงสามคน ลุงพ่อข้าหนูทนไม่ไหวแล้วเขาทำร้ายจิตใจหนูทำร้ายจิตใจลูกคุณนายราศีพูดเสียงปนสะอื้นก็เราอยากไปยอมให้เขาทำร้ายสิใจของเราไปให้คนอื่นมาทำร้ายได้ยังไงไหนเขาทำยังไงว่าไปสิก็ก็าาพาเมียน้อยมาอวดลุงพ่อเขากล้าฉีกหน้าหนูใกลๆก็รู้กันทั้งวัดว่าเขาเป็นสามีหนู แล้วอยู่ๆเขาก็ควงคนอื่นมาคุณนายวัยสี่สิบเล่าด้วยความเคียดแค้นคนอื่นที่ไหนกันเพื่อนคุณนายไม่ใช่หรืออัตมาเคยเห็นเขามาเข้ากรรมาฐานกับคุณนายอยู่กุฏิเดียวกันอีกด้วยนั่นสิคะเพราะอย่างเนี้ยหนูถึงได้แค้นใจมากทั้งเพื่อนทั้งผัวรวมหัวกันทรยศหล่อนสะอึกสะอื่นหักหัก ที่มันทรยศผมและครับหลวงพ่อเวลาผมไปราชการต่างจังหวัดมันก็เอาคนขับรถเข้าไปนอนในห้องแทนที่ผมท่านพระครูอยากรู้ความจริงว่าคุณนายราศีประพุิเช่นนั้นจริงๆหรือว่าพันเอกประวิทย์คิดมากไปเองท่านจึงใช้เห็นหนอตรวจสอบแล้วเห็นหนอก็รายงานว่าพันเอกวัยสี่สิบตั้งใจใส่ร้ายภรรยา เพื่อท่านพระครูจะได้เห็นอกเห็นใจที่เขาต้องทําผิดนายทหารผู้นี้มีจิตใจเป็นอกุศลอยากช้าลามกประพฤติชั่วทั้งที่นับถือพระเป็นเรื่องหน้าเวทนานักหากว่าเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตในโอในการข้างหน้าก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองอย่างมหันต์ทีเดียวคุณนายราสีไม่แก้ข้อกล่าวหานั้นหล่อนรู้ดีว่าท่านพระครูรู้ว่าอะไรเป็นอะไร โดยที่หล่อนไม่จำเป็นต้องอธิบายหลวงพ่อคะหนูเจ็บใจตัวเองเหลือเกินค่ะเจ็บใจที่เลือกคนผิดหนูผิดเองค่ะไม่รู้ว่ากรรมเบนอะไรของหนูหล่อนสะอึกสะอื้นก็เลือกใช่ใหม่ให้ถูกซี่ได้โอกาสแล้วนี่ชายชู้มึงไงคนขับรถกูนะ่ะเอาเธอกูยกให้คนเป็นสามีพูดแดกดัน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 เสียใจแทนคุณนายที่อุตส่าห์มาเข้ากรรมฐานหลายครั้งและหลายวันแต่ไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตอุตส่าห์มาฝึกสติแต่กลับแสดงออกเหมือนคนขาดสติไม่น่าเลยเสียชื่อลูกศิษย์วัดป่ามะม่วงหมดท่านพระครูลงทุนเทศนาคุณนายราศีรู้ว่าหล่อนรับได้พันเอกประวิตรรู้สึกสัดใจ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 ช่วยให้หนูพ้นจากสภาวะที่แสนทรมานนี้เสียทีได้โปรดเถอะค่ะจตรีวัยสี่สิบอ้อนวอนอาตมาช่วยได้ก็เพียงชี้แนวทางให้เท่านั้นนอกนั้นคุณนายต้องช่วยตัวเองหนูมองไม่เห็นทางเลยค่ะหลวงพ่อมันมืดแปดด้านหนูหมดกำลังใจหมดอะไรตายอยากในชีวิตเสียแล้วหมดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้สร้างกำลังใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับชีวิต อาตมาเชื่อว่าคุณนายทําได้ไปตรองดูนะคุณนายเป็นถึงครูบาอาจารย์มีความรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมปัญหาชีวิตแค่นี้คุณนายเอาชนะมันไม่ได้อาตมาขอพูดสั้นๆว่าถ้าเราทําจิตใจของเราให้เข้มแข็งก็ไม่มีใครมาทําร้ายจิตใจของเราได้เว้นเแต่ว่าตัวเราเองจะทําร้ายตัวเองเอาละ กลับไปพักผ่อนที่กุฏิของคุณนายได้แล้วลูกรออยู่ไม่แช่เรือ่อพูดกับเขาให้รู้เรื่องลูกสองคนนะ่ะส่วนคนอื่นถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดคนเป็นผัวเมียกันเลิกกันแล้วก็กลายเป็นคนอื่นจาไว้นะคุณนาย ภาีกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วเลี้ยงออกมาหาลูกซึ่งยืนหน้าซีดเสียวอยู่กับพี่เลี้ยงทางด้านหลังกุติเห็นหน้าตาลูกก็ให้สงสารจับใจจนต้องร้องไห้ออกมาหล่อนคิดได้เดี๋ยวนั้นต่อแต่นี้ไปจะไม่ใหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกหล่อนจะถนอมน้ำใจลูกและจะประครับประคองเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งสองอย่างดีที่สุด จะต้องทำหน้าที่ของพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเพราะคนเป็นพ่อของลูกนั้นหลอนตัดหางปล่อยวัดไปแล้วเพิ่งตัดใจได้เดี๋ยวนี้เองภรรยาลูกออกไปแล้วพันเอกประวิทย์ก็ได้โอกาสกล่าวโทษของฝ่ายนั้นตามวิสัยของบุรุษผู้มีกิเลสหนาตันหามากแย่จังนะครับหลวงพ่อกรรมของผมเลิกเกินที่ต้องมามีเมียวิปลิตผิดมนุษย์เช่นนี้ท่านพระครูไม่ออกความเห็น เพราะคนที่พูดอย่างนี้น่าจะเป็นคุณายราศีมากกว่าคนที่มาด้วยเมื่อเช้าไปไหนเสล่ะกั้นเลี่ยงไปถามถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งคนที่พันเอกประวิทย์กำลังลุ่มหลงอย่างหนักผมพาหลบไปไว้ที่สํานักจีครับไม่งั้นยายราศีอารวาสตายวัดป่ามะม่วงเลยกลยเป็นที่เล่นซ่อนหาว่างั้นเถอะครับก็สนุกตื่นเต้นดีเขา กลับเห็นเป็นเรื่องสนุกท่านพระครูรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังก็จึงบอกกับเขาว่างั้นก็ไปพาเขากลับบ้านกลับช่องเสียประเดี๋ยวคุณนายราศีมาพบเขาก็จะเกิดเรื่องอีกนายทหารวัยสี่สิบก้มลงกราบสามครั้งก่อนลุกออกมายังพูดอีกว่าป่านี้คงนั่งร้องไห้ขี้โมกโป่งแล้วคนนี้เขาขี้แยครับหลวงพ่อแต่นิสัยดีมาก ดีจริงๆแยาราศีเทียบไม่ติดเลยถ้าดีจริงคงไม่แย่งจามีเพื่อนซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้รอกท่านพระครูอยากจะพูดเช่นนี้หากท่านก็ไม่ได้พูดเพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านหลวงพ่อคะหนูไม่กล้าเข้ากรรมาฐานแล้วล่ะคะ่ะคุณนายดวงสุดาพูดขึ้นหลังจากที่นายทหารผู้นั้นลุกไปแล้วอะไรทำให้คุณนายคิดอย่างนั้นละ่ะก็หนูไม่อยากเป็นแบบคุณนายราศีนะสิคะแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเพื่อนเธอด้วยอุตส่าห์พากันมาอยู่วัดแล้วคนหนึ่งก็ออกงิ้วอีกคนหนึ่งก็แย่งสามีคนอื่นหน้าตาเฉย หล่อนว่าคนอื่นคนไกลที่ไหนล่ะคะเพื่อนกันแท้ๆไม่น่าทำเลยนางกิมเองแยงหล่อนยิ้มให้กับคุณนายดวงสุดาอย่างเป็นมิตรกิมเองมันไม่ใช่เรื่องของเรานะอย่าลืมว่าเธอกำลังปฏิบัติกรรมฐานนะข้าบดีปรามภรยาลูกชายสามคนนั่งสัประงกเพราะความง่วงแม้ คุณนายพูดอย่างนี้ก็เสียชื่อวัดป่ามะม่วงหมดเลยเสียชื่อพระครูเจริญด้วยคนเขาจะได้เอาไปพูดว่าพระครูเจริญสอนลูกศิษย์ให้เพี้ยนท่านพูดด้วยเสียงที่ได้ยินกันทั่วทั้งกุฏิไม่จริงหรอกครับหลวงพ่อท่าแก่เสียงขัดขึ้นตัวเขากับภรรยาปฏิบัติกรรมฐานสม่ำเสมอและเคร่งครัดจึงเข้าถึงความจริงอะไรบางอย่าง ที่คนบางคนยังเข้าไม่ถึงผมขอยืนยันว่ากรรมฐานไม่ได้ทําให้คนเพี้ยนการที่คุณนายคนนั้นกับเพื่อนทําอะไรเพียเพ้ยนเพราะแกไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้จริงแกยังเข้าไม่ถึงหัวใจกรรมฐานผมว่าหลวงพ่อรู้เรื่องนี้ดีกว่าผมกรุณาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยเถอะครับเขาขอร้องท่านพระครูท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าเอาละ ญาติโยมที่รักทั้งหลายที่โยมเท่าแก่พูดมานั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการอาตมาจึงของยืนยันว่ากรรมฐานไม่เคยทําให้ใครวิปริตถ้าหากคนนั้นปฏิบัติอย่างถูกต้องและเอาจริงเอาจังและโปรดเข้าใจใช่ไหม่ให้ถูกต้องด้วยว่าคนที่มาปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่คนที่หมดกิเลสแล้วเพราะถ้าหมดกิเลสก็ไม่จําเป็นต้องมาปฏิบัติการมาปฏิบัติก็เพื่อ จะให้กิเลสมันเบาบางลงและหมดไปในที่สุดเพราะฉะนั้นตราบใดที่เขายังไม่บรรลุทำขั้นใดเลย เขาก็ยังคงเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนอนกับคนทั่วๆไปที่ยังมีรักโลภโกรธหลงจึงอาจถูกกิเลส ช, ชักพาไปในทางที่เสื่อมได้หลวงพ่อครับวัดป่ามะม่วงเนี่ยมีคนมาตีกันฉลองปีใหม่อย่างนี้ทุกปีหรือเปล่าครับชายผู้หนึ่งถามขึ้นเขาเพิ่งมาวัดนี้เป็นครั้งแรกเพราะเพื่อนชวนมาไม่หลอกโยมเพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่อัตมาก็ต้องขอโทษญาติโยมแทนคู่กรณีด้วยออกนอกเขตวัดไปเมื่อไรรับรองตายทั้งคู่แล้วปีหน้ามีอีกไหมครับผมจะได้มาดูอีกไม่มีแน่อันนี้อัตมารับรองไม่ยังดีนะคนมาตีกันในวัดก็ยังดีกว่าพระในวัดตีกันเองเสียงหัวเราะดังขึ้นท่านจึงย้ำอีกว่าอ้าว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 ท่านเจ้าคุณสลบทันทีนะ้าให้พึ่งลงไปนอนเลยท่านเล่าเหตุการณ์ที่เห็นมากับตาและพระรูปนั้นทํำยังไงครับเห็นท่านเจ้าคุณสลบแล้วท่านทํำยังไงชายคนนั้นถามอีกท่านยังไม่ทันได้ทําอะไรปรากฏว่าพระลูกวัดรูปอื่นก็กรู ก, กันเข้าตลุมบอนท่านทั้งต่อยทั้งเตะทั้งเหยียบสลบเหมิดไปเลยอาตมายืนงงเป็นไก่ตาแตก ตอนแรกนึกสงสารท่านเจ้าคุณแต่ตอนหลังสงสารพระรูปนั้นอาตมาเลยรีบกลับวัดป่ามะม่วงเพราะไม่อยากไปเป็นพยานที่โรงพักพระลูกวัดพวกนั้นพอซ้อมเขาสลบแล้วยังพาส่งโรงพักอีกข้อหาทำร้ายร่างกายท่านเจ้าคุณหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ไปพูดธุระกับท่านจะพูดยังไงล่ะก็เขากำลังมีเรื่องไม่น่าถาม แล้วท่านจะคุณถึงกับมรณะภาพไหมคะคุณกิม้อถามไม่หลอกโยมแค่หมัดเดียวผมว่าท่านอาจแกล้งสลบก็ได้แกล้งทำเป็นสลบเพื่อให้ลูกน้องแก้แค้นแทนในต่อหายง่วงและพูดขึ้นอย่างที่ใจคิดหนูอย่าไปว่าพระว่าเจ้าบาปนะหนูบาปท่านพระครูปลามด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มรู้ว่าเจ้าคุณรูปนั้นสลบไปจริง โดยไม่ได้เสียแซงก็เห็นหนอบอกอย่างนั้นวันที่23สามกราคม2517เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำ ผู้คนพากันมาวัดป่ามะม่วงแต่เช้ามืดแม้วันคืนจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปปีใหม่มาปีเก่าลาลับแต่หน้าที่และภาร ก, กิจของท่านพระครูดูเหมือนจะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะผู้คนนับวันจะประสบปัญหาชีวิตได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนกันมากขึ้นปัญหาชีวิตอันเป็นผลพวขงของความเจริญทางวัตถุเสร็จจากสังฆกรรมในพระอุโบสถแล้ว จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินมายังกุฏิที่ผู้คนมากหน้ากกำลังรออยู่จากนั้นท่านก็เริ่มวินิจฉัยไขปัญหาให้พวกเขาตั้งแต่เวลาหกนาฬกาจนถึงเจดนาฬกาสาสิบนาทีจึงขึ้นไปเจเริญพระพุทธมนต์และฉันพัฒหารเช้าร่วมกับภิกษุอื่นๆบนศลาพวกชาวบ้านผู้มีศรัทธา จะนำอาหารหวานข่าวมาทำบุญที่วัดป่ามะม่วงทุกวันพระผู้ทุกร้อนรายแรกเป็นนักธุรกิจมาจากกรุงเทพหน้าตาของเขาเศร้าหมองเพราะการขาดทุนร่วมสิบล้านเขาได้รับคำแนะนำจากญาติว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านแก้ปัญหาเก่งจึงสู้ดันด้นมาหาและนั่งตากยุงรอตั้งแต่ตีสี่ โยมมีอะไรให้อัตมาตช่วยก็ว่าไปเลยท่านเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเป็นการพูดที่ตรงไปตรงมาผมแย่แล้วครับหลวงพ่อธุรกิจของผมขาดทุนไปเกือบสิบล้านถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยผมคงต้องล้มละลายแน่เขาบอกด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนโยมทำธุรกิจอะไรละ่ะผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ส, ส่งออกนอกครับผมทำมาสามปีเข้านี่แล้ว สองปีแรกกำไรดีมากครับพอมาปีที่หกก็เริ่มขาดทุนและกิจการก็แย่ลงเรื่อยๆจนเกือบจะล้มแล้วครับหลวงพ่อปรดช่วยผมด้วย ไม่สัมผัเรื่องธุรกิจใชด้วยสินานโยมช่วยอธิบายกระบวนการของมันให้อัตมาฟังหน่อยสิแล้วอัตมาจะช่วยตรวจสอบให้ว่าทำไมทิ้งได้ขาดทุนนักธุรกิจผู้นั้นจึงอธิบายว่าผมมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีทั้งเสื้อผ้าสำหรับเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงผมจะส่งตัวอย่างไปให้ตลาดดูตลาดที่ว่าก็มีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรปประเทศญี่ปุ่นเขาก็สั่งมาทีละมากๆจนผลิตแทบไม่ทันก็รุ่งเรืองอยู่แค่สองปีมาปีที่แล้วก็เริ่มสุดทำให้ขาดทุนย่อยยับผมไม่ทราบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านพระครูจำเป็นต้องรบกวนเห็นหนอช่วยตรวจสอบให้ช่วยอึดใจเดียวท่านก็พูดขึ้นว่าโยมทราบดีเชละจะ้อัตมาพูดตรงๆรงไหละ่ะ นักธุรกิจวัยห0สิบเศษอ้ำอึ้งอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็พูดเสียงอ่อยๆว่าครับหลวงพ่อพูดตรงๆได้เลยครับท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าก็โยมเล่นไม่ซื่อกับลูกค้านี่นาเวลาส่งตัวอย่างไปให้เขาดูโยมก็ใช้ผ้าชนิดดีราคาแพงแต่พอเขาสั่งมาจำนวนมากๆโยมก็ใช้ผ้าอีกชนิดหนึ่งดุคคล้ายกัน คุณภาพด้อยกว่าราคาถูกกว่าโยมทําอย่างนี้เพราะความโลภอยากจะได้กาไรมากๆเขารู้ตันก็เลยเลิกสั่งอันนี้แหละโยมจะไปโทษลูกค้าเขาก็ไม่ได้จริงไหมท่านพูดด้วยเสียงที่ตั้งใจจะให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินเพื่อจะได้สอนคนอื่นไปในตัวคนอื่นๆเขาก็ทําอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละครับหลวงพ่อ ปรุดวัยเกินห้าสิบแอบอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างทำให้คนฟังที่ไม่รู้เท่าทันคิดว่าเขาไม่ผิดเพราะใครๆก็ทำอย่างที่เขาทำอ๋อหมายความว่าอะไรก็ตามที่คนอื่นส่วนใหญ่ทําย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นถูกต้องดีงามอย่างนั้นใช่ไหมคงไม่ใช่กระมังครับคนตอบชักไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นโยมบอกอาตมามาตรงๆเลยว่า สิ่งที่โยมทําไปนั้นมันถูกหรือว่าผิดบอกมาเลยอาตมาไม่ชอบพูดอ้อมค้อมผิดครับแต่มันทําให้ร่ํารวยเร็วนะครับหลวงพ่อคนอื่นๆที่เขาทําก็รวยๆกันทั้งนั้นนักธุรกิจยังคงมีทิฐิไม่จริงละมั้งถ้าจริงโยมก็คงไม่มาให้อาตมาช่วยหรือโยมจะเถียงไม่เถียงแล้วครับ หลวงพ่อกรุณาแนะนําผมด้วยเถอะครับว่าทําอย่างไรธุรกิจของผมจึงจะคืนสู่สภาพเดิมมันก็ไม่ยากหรอกโยมแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าโยมไม่สามารถปฏิบัติตามที่อาตมาแนะนําผมจะปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําทุกอย่างครับนะักธุรกิจพูดอย่างมีความหวังขึ้นมาบ้างดีแล้วญาติโยมทั้งหลายจําไว้เป็นตัวอย่างเชียวนะท่านพูดกับทุกคนในที่นั้น บรรดาผู้ที่ทังอยู่ในกุติขณะนี้ผู้ที่จะมาถามปัญหาแบบเดียวกันมีอีกสองรายท่านจะได้ถือโอกาสตอบเสียในคราวเดียวกันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเมื่อจะพูดต่อท่านก็ทำความตกลงกับเจ้าของเรื่องว่าโยมอย่าหาว่าอาตมาเอาโยมมาประจานนะก็เมื่อกี้นีโยมว่าใครๆเขาก็ทากันก็แปลว่า มันได้แช่เรื่องหน้าอับอายใช่ไหมครับผมไม่คิดว่าหลวงพ่อประจานถ้าหลวงพ่อทําให้ผมขายดีเหมือนเก่าได้นักธุรกิจยอมรับหากก็มีเงื่อนไขถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีการกระทําของโยมถือว่าเป็นการทุจริตหลอกลวงลูกค้าการหากินในทางทุจริตนั้นมันทําให้รวยก็จริงแต่รวยได้ไม่นานก็ต้องเจง คำสุดท้ายท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนเพื่อความทันสมัยและผมจะแก้ไขอย่างไรล่ะครับประการแรกโยมต้องเลิกหลอกลวงเขาด้วยการยัดไส้สินค้าใช่ไหมที่โยมทำอยู่เขาเรียกว่ายัดไส้สินค้าใช่ไหมอันนี้อาตมาเคยได้ยินแต่เขาพูดถูกแล้วครับหลวงพ่อสมัยนี้ใครๆเขาก็ใช้วิธีนี้กันทางั้นไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รวยครับ นักธุรกิจสนองนั่นไงเอาอีกแล้วไงอาตมาสอนอยู่แมปแมปโยมก็เป็นแบบเดิมอีกแล้วท่านว่าตรงๆก็มันเรื่องจริงนหครับหลวงพ่อผมเพียงแต่หยิบยกเอาเรื่องจริงขึ้นมาพูดเท่านั้นเองชายวัยเกินห้าสิบเถียงอย่างดื้อรั้นโยมนี่ดื้อเสียจริงยิ่งกว่าแมวอีกอาตมาว่าแมวมันดื้อแล้วนะครับผมไม่ดื้อแล้วครับ ตกลงผมยอมหลงพ่อจะไม่ทำอย่างที่ทำอีกตัวอย่างสินค้าเป็นยังไงผมจะส่งให้เขาตามนั้นทุกประการแล้วฝีมือด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวอย่างตัดเย็บด้วยฝีมือประณีตแต่พอส่งไปให้เขาเป็นฝีมืออี ก, กระดับหนึ่งท่านพูดดักคอ ขอนี่ละเอียดจริงๆผมศรัทธาเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเขาชมเป็นครั้งแรกและด้วยความจริงใจหากท่านไม่พูดชินนี้ออกมาเสียก่อนเขาก็คิดอยู่แล้วว่าจะหลอกลวงโดยวิธีนี้คือใช้วัสดุคุณภาพและราคาแบบเดียวกันกับตัวอย่างแต่จะลดความปราณีตลงเป็นการประหยัดต้นทุนด้านค่าแรงเมื่อท่านพระครูเตือนล่วงหน้าไว้เช่นนี้ เขาก็จาเป็นต้องเชื่อท่านตกลงผมจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วนานเท่าไรผมจึงจะฟื้นตัวครับยังยังไม่หมดแค่นี้ที่พูดมาเพิ่งจะได้ประการเดียวยังมีประการอื่นอื่นอีกนั่นก็คือโยมจะต้องสวดมนต์ทุกวันสวดเป็นไหมไม่เป็นเลยครับเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะแจกบทสวดมนต์ มีคนเข้าพิมพ์มาถวายไว้สำหรับแจกท่านหยิบแผ่นใบปลิวขึ้นมาแจกในนั้นมีบทสวดมนต์พิมพ์ด้วยอักษรขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการอ่านท่านส่งให้นักธุรกิจแต่ปรากฏว่ามีบุรุษอีกสองคนที่นั่งณนะที่นั้นขออีกคนละแผ่นคนหนึ่งมีธุรกิจทำกระเป๋าถือส่งต่างประเทศอีกคนทารองเท้าหนัง และคนทั้งสองใช้วิธีเดียวกันกับคนแรกในการหลอกลวงลูกค้าคือใช้วิธียัดไส้สินค้าคนทั้งสามรับแผ่นใบปลิวมาอ่านแล้วก็พูดขึ้นเกือบพร้อมกันว่าอ่านยากจังครับยากที่ไหนกันเขาอุตส่าห์พิมพ์ตัวโตๆให้อย่างว่าอ่านยากอีกผมหมายถึงข้อความนะครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือว่าอีกสองคนก็คิดอย่างเดียวกัน นั่นเพราะโยไม่เคยสวดมนต์นะสินี่อาตมาอุตษาหเขียนคําอ่านเป็นภาษาไทยนะถ้าเขียนแบบภาษาบาลีโยมจะยิ่งแยกกว่านี้แต่เอาเถอะค่อยๆอ่านไปก่อนและจะจําได้เมื่อจําได้ก็จะสวดมนต์เป็นถ้าไม่อยากล้มละลายก็ทําตามนี้เข้าใจไหมอ่านหมดนี้เลยเหรือครับถูกแล้วอ่านหมดนี่หนึ่งเที่ยวแล้วอ่านเฉพาะบทพุทธคุณ เท่าจำนวนอายุบวกหนึ่งตรงไหนครับที่เรียกว่าพุทธคุณแม้โยมนี่ไม่เอาไหนเลยจริงๆนะท่านว่าคนเดียวแต่มีคนร้อนตัวถึงสามคนบทพุทธคุณก็ตั้งแต่อิติปิโสไปจนถึงภควาตินั่นแหละโยมอายุเท่าไหรล่ล่ะสี่สิบแปดครับเจ้าของธุรกิจกระเป๋าถือสี่สิบแปดก็สวดสี่สิบเก้าจบ แล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้หลงล่ะครับผมกลัวจำไม่ได้ว่าสวดเกศจบแล้วอันนี้ยมหาวิธีเอาเองอาตมาเชื่อ ว, ว่าคนที่เป็นนักธุรกิจย่อมหาวิธีจนได้นั่นแหละใช้วิธีนับก้านไม่ขีดสิเจ้าของธุรกิจรองเท้าหนังแนะนำงั้นผมอายุห้าสิบหกก็ต้องสวดห้าสิบเจ็ดจบใจช่ไหมครับหลวงพ่อนักธุรกิจคนแรกถามอย่างรู้สึกท้อแท้ ก็ต้องอย่างนั้นท่านเจ้าของกุติตอบและผมไม่เวลาเหรอกครับวันๆผมไม่ค่อยว่างเลยท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงบอกเข้าว่าเลือกเอาก็แล้วกันถ้าทําไม่ได้ก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าทําได้ก็จะเห็นผลภายในสามเดือนเป็นอย่างช้าให้ภรรยาสวดด้วยได้ไหมครับได้ยิ่งช่วยกันสวดก็เห็นผลเร็วถ้าให้สวดแทนผมละครับ เขาต่อรองสวดแทนไม่ได้สิช่วยกันสวดนี่อาตมาหมายความว่าต่างคนต่างสวดเท่าอายุของตัวเองบวกหนึ่งภรยาโยมอายุเท่าไรละ่ะสี่สิบหกครับก็ให้เขาสวดสี่สิบเจ็ดจบเข้าใจไ้ยล่ะเข้าใจครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับ<ม>รู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนกะธุรกิจพวกนั้นจึงกลาบลาปรากฏว่ามีผู้ตามเขาออกมาอีกสองคน ท่านพระครูประสบความสำเร็จในการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสามตัวหลวงพ่อคะฉันกับสามีทำโรงงานผลิตเครื่องตกแต่งบ้าน ไม่เคยยัดไส้สินค้าไม่เคยโกลงลูกค้าแต่ทำไมทำไมหากินไม่ขึ้นล่ะคะผู้ทุกร้อนรายที่สองเป็นสตรีวัยสามสิบเศษ่อนมากับสามีวัยเดียวกันที่นั่งก้มหน้าคอตกอยู่ข้างๆท่านพระครูต่อไปตามที่เห็นหนอรายงานว่าโยมไม่ปฏิบัติพระในบ้านนะสิในบ้านผมไม่มีพระครับหลวงพ่อสามีเงยหน้าขึ้นตอบ ถ้าจะมีก็คงเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกโยมอาตมาหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของโยมนะพระโยมไม่ปฏิบัติท่านโยมถึงได้ทามาหากินไม่ขึ้นฉันก็เลี้ยงดูแกนี่คะเพื่อนบ้านฉันสีอีกที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านบางแคเอาอีกแล้วอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างอีกแล้วอาตมาเพิ่งว่าโยมผู้ชายคนนั้นไปยกยก ท่นหมายถึงนักธุรกิจที่เพิ่งลากลับไปขอทีทนายโยมนะอย่ามองนอกตัวให้มองเข้ามาในตัวเรานี่แหละมันมีข้อบกพร่องตรงไหนก็ค่อยๆแก้ไขไปโดยไม่ต้องไปเพ่งโทษผู้อื่นเข้าใจหรือยังเข้าใจค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกวิธีแก้ไขด้วยเถิดค่ะก่อนที่จะแก้ไขโยมต้องรู้จักข้อบกพร่องของตัวเองก่อนโยมบกพร่องตรงไหน รู้ไหมไม่ทราบค่ะนั่นไงเห็นไหมตัวของตัวเองยังไม่รู้เลยแล้วยังเที่ยวไปรู้ของคนอื่นเอาละ่ะถึงยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับอาตมาเพราะคนอื่นๆเขาก็แบบเดียวกับโยมนี่แหละสตรีวัยกว่าสามสิบมีสีหน้าดีขึ้นเมื่อรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้บุกร่องแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อยๆก็ยังมีเพื่อน หลงพ่อช่วยชี้ข้อบกพร่องของฉันด้วยเถอะค่ะแล้วฉันจะได้หาทางแก้ไขเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีโยมไม่ปฏิบัติพ่อแม่หมายความว่าโยมให้ท่านไปอยู่ที่โรงงานอยู่ห้องอับอับมืดมืดให้กินข้าวรวมกับพวกคนงานในขณะที่โยมอยู่บ้านหลังใหญ่กับสามีและลูกๆมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่า จริงค่ะหล่อนพูดเสียงเกือและมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอย่างชัดเจนดีแล้วที่โยมยอมรับผิดทีนี้อาตมา ก, ก็จะบอกวิธีแก้ไข โยมต้องรับท่านเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกับโยมกลับไปเนี่ยไปจัดการเสียโยมกินดีอยู่ดีอย่างไรต้องให้พ่อแม่กินดีอยู่ดีอย่างนั้นด้วยเอาละโยมกลับไปหาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบขอขามาท่านเอาน้ำล้างเท้าให้ท่านแล้วก็ให้ท่านอาโหสิกรรมให้แล้วกิจการค้าของโยมก็จะเจเริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลาดับทาได้ไหมละ่ะได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นหนูกับสามีขอกราบล า, ลาจ้าทุกขกลายที่สามกำลังเอื้อนเอ่อยธุระนายสมชายก็กรานก็ามาขัดจังหวะว่าหลวงพ่อครับนิมนต์ขึ้นศาลาครับเลยเวลามาหลายนาทีแล้วอา้าวได้เวลาแล้วหรือได้มาหลายนาทีแล้วครับนายสมชายย้ําท่านจึงพูดกับผู้คนที่นั่งณนะที่นั้นว่าประเดี๋ยวนะขอเวลานอกก่อน ญาติยโยมไปทานอาหารกันก่อนที่โรงครัวเขาคงเตรียมเสร็จแล้วเชิญทุกคนเลยนะใครมาวัดป่ามะม่วงแล้วไม่ทานอาหารถือว่าไม่ได้มาพูดแล้วท่านก็ลุกจากอาสนะเพื่อจะเดินไปยังสัลาสาวรุ่นรุ่นคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาหล่อนคุกข่าวลงต่อหน้าท่านประนมมือพร้อมกับพูดว่าหลวงพ่อคะขอเวลาหนูหนึ่งนาทีคะ่ะหนูมีธุระด่วนคะ่ะหล่อนพูดอย่างรีบร้อน และไม่อาจรอคิวได้พูดไปเลยหนูท่านอนุญาตพี่สาวหนูถูกรถชนอาการสาหัสค่ะตอนนี้อยู่ในห้องไอซียหนูมาขอบารมีหลวงพ่อให้เขารอดชีวิตด้วยท่านพระครูรู้ว่าบรรดาคนที่มาในวันนี้ยังมีอีกสามรายที่มีจุดประสงค์เดียวกันกับเด็กสาวจึงบอกพวกเขาว่าเอาละ่ะคนที่มาทุระเรื่องเป็นเรื่องตาย ให้จดชื่อและนำสกุลใส่ผ่านวางไว้ที่อาสนะของอาตมาชื่อคนที่กําลังจะตายนะไม่ใช่ชื่อของคนมหาท่านจําเป็นต้องบอกให้แจ่มแจ้งเพราะคนแต่ละคนระดับสติปัญญาไม่เท่ากันและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เคยปรากฏมาแล้วบ่อยครั้งพูดจบท่านก็เดินไปยังศาลาบรรดาคนเจ้าทุกทั้งหลายก็พากันเดินไปยังโรงครัว เพื่อรับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ้าอาวาธวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิท่านขอตัวเข้าไปล้างมือบ้วนปากในห้องน้ำใต้บันไดแล้วจึงออกมานั่งที่อศัศนะในผานมีกระดาษสี่แผ่นวางอยู่ท่านหยิบขึ้นมาอ่านทุกแผ่นแล้วก็พูดขึ้นว่าดูเอาเถอะใครจะเป็นจะตายก็ต้องไมาให้อาตมาช่วยยังกะอัตมาเป็นผู้วิเศษแ่ นะโยมนะท่านพยักเพย์ย์ดกับเจ้าทุกที่นั่งอยู่แถวแถวหลังสุดหลวงพ่อครับผมสงสัยจังครับคนที่กำลังจะตายเราช่วยไม่ให้เขาตายได้จริงๆเหรอครับคนถามเป็นบุรุษวัยห้าสิบเขาเรียกมาใช้คำว่าเราแทนหลวงพ่อมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมนั่นแหละโยมถ้าเขาต้องตายจริงๆอาตมาก็ช่วยไม่ได้อย่าว่าแต่อาตมาเลย ต่อให้ผู้วิเศษที่ไหนก็มายับยั้งความตายไม่ได้ที่ว่าขึ้นอยู่กับกรรมก็หมายความว่าถ้าเขายังมีกรรมดีอยู่บ้างอาตมาก็ช่วยเพิ่มให้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมดีอยู่เลยก็ช่วยไม่ได้เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆก็คือมันเหมือนกับแบตเตอรี่ถ้าอาตมาชาร์จไฟมาให้แต่แบตเตอรี่หม้อนั้นเก็บไฟไม่อยู่มันก็รั่วออกหมด เรื่องนี้มันซับซ้อนที่อาตมาพูดมาไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบอีกถ้าจะอธิบายโดยละเอียดวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบเอาเรื่องเฉพาะหน้าดีกว่าเมื่อท่านพูดดังนี้ผู้มีทุกข์ายที่สามจึงเอ่ยทุระของตนหลวงพ่อครับผมมีปัญหาเรื่องลูกลูกชายลูกสาวผมเอาดีไม่ได้สักคนทั้งที่ผมกับภรรยาเลี้ยงดูเขาอย่างดี ผมเป็นวิศวกรภรรยาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่ลูกไม่เอาทานไม่เจริญรอยตามพ่อแม่เลยสักคนวิศวกรวัยห้าสิบระบายความอึดอัดขัดข้องใจออกมาโยมมีลูกกี่คนสี่คนครับผู้หญิงสองผู้ชายสองแล้วเขามีครอบครัวกันหรือยังคงยังมั้งครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่กับพ่อแม่เลย พากันหนีออกจากบ้านไปหมดเห็นว่าลูกชายไปเป็นอันธพาลลูกสาวไปเป็นนักร้องตามคลับตามบาร์เขาพูดอย่างขัดเคืองเห็นหนอทําหน้าที่อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องให้บอกท่านรู้ความเป็นไปของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีจึงพูดขึ้นว่าโยมไม่น่าทํารุนแรงกับลูกนี่นาะด่าว่าเขาแล้วยังไม่พอยังไปเตะไปต่อยเขาอีกลูกเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวโยมไปเตะเขา เขาก็หนีนะสิแล้วภรรยายโยมก็ด่าลูกแทบทุกวันใครเขาจะอยากอยู่ด้วยละ่ะวิศวกรผู้นั้นนั่งกลมหนา้านึกถึงความผิดพลาดที่ทำไว้กับลูกแล้วผมจะทำอย่างไรครับหลวงพ่อผมอยากให้ลูกๆ ก, กลับมาครับโยมต้องสวดมนต์าำอย่างที่อาตมาแนะนานักธุรกิจไปเมื่อสักครู่นี้ทาได้ไมท่านพูดพร้อมกับส่งบทสวดมนต์ให้แผ่นหนึ่ง ช่วยกันสวดนะทั้งโยมและภรรยาโยมนั่นแหละสวดเสร็จก็แผ่เมตตาไปให้ลูกๆขอให้เขามีความสุขความเจริญไม่ช้าเขาก็จะพากันกลับมาแล้วก็อย่าไปดุด่าว่าเขาอีกให้พูดกับเขาดีๆทำได้ไหมได้ครับบุรุษวัยห้าสิบรับคำหนักแน่นแล้วจึงถือโอกาสกลาบลา รูช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าทูกอิดหลายรายกระทั่งถึงเวลาสิบเอดนาฬิกาจึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวส่วนท่านก็ถือใบารายการที่คนกําลังจะตายสี่รายขึ้นไปข้างบนเพื่อจัดการส่งพลังไปช่วยเหลือยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าที่พวกเขาจะรับประทานอาหารเสร็จและหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นของคนสี่คนที่ญาติระบุว่า ก, กําลังจะตาย ชั่วโมงต่อไปก็เป็นของเจ้าทุกขไกลอื่นๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเสร็จสิ้นตอนกี่ทุ่มกี่ยามจะอววาดวัดป่ามะม่วงท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยแท้ ถ้าบวเหียวแอบตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาศิทธยานุสิ์ที่มาปรึกษาปัญหาธรรมะกับท่านพระครูนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนจีนข้างฝ่ายคนไทยกลับมีน้อยคนที่จะสนใจธรรมะและมาวัดก็จะแบบปัญหานักหนักมาให้ท่านพระครูช่วยแก้หลังจากนั้นก็จะหายหน้าหายตาไปต่อเมื่อต้องการให้ท่านช่วยอีกเจงจามาให้เห็นผิดกับคนจีนซึ่งมาอย่างสม่ำเสมอทั้งยังสนใจธรรมะ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังจนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองท่านค ร, รูจรึงชื่นชมคนจีนในแง่นี้ด้วยในแง่อื่นๆด้วยเช้านี้อากาศปลอดโปร่งกว่าทุกวันทั้งยังปลอดคนอีกด้วยเพราะตามรายการท่านพระครูต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพแต่ทางผู้จัดได้โทรเลขด่วนมาขอเลื่อนท่านจึงไม่ต้องไปไหน ันเช้าแล้วพระบวัวเฮียวจึงโถโอกาสมาเรียนปรึกษาปัญหาธรรมะกับผู้เป็นอาจารย์จะให้ท่านสอบอารมณ์ให้ด้วยหลวงพ่อครับผมถูกถีนมิทธานิวอรนคุกคามอย่างหนักเลยครับมันง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลาเดินจงกรมก็ง่วงปฏิบัติตามวิธีขัดจัดความง่วงอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำก็ไม่หายง่วงผมก็เลยต้องนอนเพราะคิดว่าคงจะหายแล้วหายไม่ละ่ะ พระอุปชาถามไม่หายครับแต่ถียังนอนไม่หลับด้วยง่วงเหมือนจะเป็นจะตายแต่พอนอนกลับนอนไม่หลับทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับนั่นเป็นอาการของยานณานะบเยียวไม่ใช่ถีนมิทธานิวรแต่ประการใดหมายความว่าอย่างไรครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจหมายความว่าอาการที่เธอเล่ามานั้นนะ่ะเป็นอาการของผู้ที่เข้าถึงนิพพิทายานซึ่งเป็นยานที่แปด นั้นผมก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วชิครับพระบวัวเหี่ยวพูดอย่างยินดีถูกแล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจมีคนเข้าได้ยา น, นี้ก่อนเธอมาหลายคนแล้วไม่ใช่เธอคนแรกที่ได้หรอกนะคนที่ได้รายล่าสุดก็คือลูกชายของข้าพอดีดูเหมือนจะเป็นคนที่ชื่อในต้อม ง, งั้นก็แปลว่าผมไปช้ากว่าลูกศิษย์ละครับคงอย่างนั้นแต่ช้าของเธอน่ะ ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสโลบัตชัวเข้าใจหรือเปล่าผมไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งครับหลวงพ่อได้โปรดอธิบายให้คนต่ำต้อยได้ปัญญาอย่างผมได้ฟังหน่อยเถอะครับถ่อมตัวเลิศเกินนะวันนี้วันอะไรนอ้อพระโบเยวถึงได้สงบเสงี่ยมเจียมตัวอย่างนี้อาจารย์สัพยอกคนเป็นสิทธิ์คงไม่ใช่วันพระแน่ครับคนเป็นสิทธิ์ตอบฉับพลัน รู้แล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าทําไมเธอถึงได้ต่อมตัวมากมายนะักวันอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่นาก็วันนี้ผมอยากได้วิชานะครับส่วนวันอื่นไม่อยากได้พระบัวเยวถือโอกาสยวนเธออยากได้วิชาอะไรละ่ะพระอุปชาย้อนถามวิชาขาจัดความม่วงที่เกิดจากนิพิธายา น, นะครับเอาเธอจะบอกให้เอาบุญแล้วท่านจึงบอกวิธีปฏิบัติตน เมื่อเข้าถึงนิพพิทายานแก่พระโมฮียวแบบเดียวกับที่เคยบอกในต้อมพระหนุ่มกล่าวคำขอบคุณแล้วก็ถามอีกว่าและที่หลวงพ่อพูดภาษาต่างประเทศมัตะเก้เนี้ยเสียงโลโลชัวชวนะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเธอเข้าถึงยานที่แปดช้ากว่าในต้อมก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะบรรลุยานที่สิบหกที่หลังเขา ฉันมองหน้าเธอก็รู้ว่าหน้าอย่างเธอถึงจะไม่ฉลาดสักเท่าไรแต่ก็แน่ใจว่าเธอจะต้องบรรลุโสดาปฏิผลเป็นอย่างต่ำนี่พูดถึงชาตินี้เท่านั้นนะท่านอธิบายและในต่ามล่ะครับในเมื่อเขาได้ยานแปดก่อนผมเขาก็น่าจะได้ยานสิบหกก่อนผมด้วยถูกไหมครับมันไม่เสมอไปหรอกโบเยวคารวาที่มาเข้าปฏิบัต มีสิทธิ์ที่จะถึงยานแปดยานเก้าหรือว่าบางคนอาจจะถึงยานสิบสามแต่พอเข้ากรับบ้านก็ถูกสิ่งแวดล้อมทางโลกดึงไปการปฏิบัติก็หยุดชะงักอยู่แค่นั้นอย่างกรณีของไนต้อมเขาอยากจะบวชแต่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชเมื่อกลับไปอยู่บ้านเขาก็จะติดอยู่กับความสุขทางโลกจนลืมการปฏิบัติก็เลยติดอยู่แค่ยานแปดนั่นแหละ แต่ถ้าเขาบวชเขาก็จะก้าวหน้าในการปฏิบัติใช่ไหมครับถามออกไปแล้วก็รู้สึกว่าถามงงโง่รู้ช้าอย่างนี้เสมอ มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะบรรยากาศในวัดมันเอื้อต่อการปฏิบัติมากกว่าที่บ้านอีกประการหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์ก็ช่วยให้การปฏิบัติตำเนินไปอย่างคล่องตัวเพราะมีข้อวัดปฏิบัติแตกต่างกันไปจากวิถีชีวิตแบบชาวบ้านพระจึงได้เปรียบคารวะในแง่นี้ท่านพระครูอธิบายโดยไม่เกี่ยงงอนภูมิปัญญาของผู้ถาม